ผู้ฟังคะหลายท่านคงมีความเชื่อที่บอกว่าพระอรหันต์อยู่เหนือบุญเหนือบาปอยู่เหนือกรรมดีและกรรมชั่วได้แล้วท่านยังหนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมได้อีกหรือและนี่คือคำถามที่สงสัยกันอยู่เสมอบางคนเชื่อนะคะว่าพระอรหันต์คงหนีพ้นกรรมได้แล้วกรรมคงเข้าตามสนองท่านไม่ได้อีกต่อไปแต่ว่าเรื่องราวของพระมหาโมคคัลลานะพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระศาสดา แสดงให้เราเห็นนะคะว่าพระอาหารหันต์ก็ยังต้องรับกรรมหนีกรรมชั่วที่ตนเคยทําไม่พ้นมีนักพรตกลุ่มหนึ่งกําลังปรึกษากันอย่างเคร่งเครียดถึงวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกตนตั้งแต่พระสมณะโคโดมเข้ามาสอนคนในเมืองชาวเมืองต่างหลังไหลเข้าไปเป็นศิษย์ของพระองค์โดยมิได้ขาดคนที่เคยอุปธรรมค้้มชูพวกตนต่างก็ร่อยหรอลงทุกวันหากปล่อยให้สถานาการณ์เป็นเช่นนี้อย่างต่อเนื่องพวกตนคงจะต้องไส้แห้งอย่างแน่นอน พวกเราจะจัดการเรื่องนี้กันอย่างไรดีกลุ่มนักพรตต่างระดมสมองคบคิดเพื่อหาแนวทางกอบกู้สถานการณ์ผมคิดว่าปัญหาต่างๆที่พวกเรากําลังเผชิญเกิดจากสมณเพศเพียงรูปเดียวเท่านั้นนักพรตรูปหนึ่งเสนอความคิดเห็นขึ้นกลางที่ประชุมมันคือใครกลุ่มนักพรตต่างถามด้วยสายตาที่จ้องเขมงสมณชื่อว่ามหาโมคคลาณะนะสิคุณอืมทาไมคุณถึงคิดเช่นนั้น กลุ่มนักโพส ถ, ถามด้วยความสงสัยพวกคุณไม่รู้เรื่องไงว่าตั้งแต่สมณเพศรูปนี้นําเรื่องนรกสวรรค์มาบอกกับมนุษย์ชาวบ้านก็ต่างหลงเชื่อคําพูดของสมณะรูปนี้อย่างหัวปักหัวปำผู้คนได้หลั่งไหลเข้าหาสมณะรูปนี้ไม่เว้นในแต่ละวันลาบสการะของพระสมณโคดมและก็เหล่าสา ว, วกเลยเพิ่มพูนขึ้นทุกวันส่วนรายได้ที่พวกเราเคยมีกลับหดตัวลงเรื่อยมาหากปล่อยสมณะรูปนี้ไว้ พวกเราจะต้องชิบหายอย่างแน่นอนงั้นพวกเราจะทำกันอย่างไรดีละ่ะกลุ่มนักพรตปรึกษากันในที่ประชุมข้ามันทิ้งซะนักพรตรูปหนึ่งเสนอแผนตัดไฟซะแต่ต้นลมและเมื่อได้ฟังแผนของนักพรตรูปนี้กลุ่มนักพรตต่างลงมติเห็นด้วยนักพรตแต่ละคนได้ช่วยกันหาทุนรอนจนได้เงินถึง 1,000 มหาปณะนะต่อมาก็นาเงินที่ได้นั้นไปจ้างนักสังหารมืออาชีพทีมหนึ่ง แต่ถึงกระนั้นนักพรตกลุ่มนี้ก็ยังมีความรู้สึกกังวลและก็หวั่นใจไม่น้อยต่อแผนการของพวกตนเพราะว่าเคยได้ยินกิติศัพท์ของพระมหาโมคคลานะมานานว่าท่านเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระสมณะโคดมมีอิทธิฤทธิที่ไม่เป็นรองใครยกเว้นแต่พระสมณะโคดมเท่านั้นแผนสังหารพระมหาโมคคลานะจึงไม่ใช่งานหมูอย่างที่คิดโอกาสพลาดพลั้งจึงเป็นไปได้สูง ในเวลานั้นเพระมหาโมคลาณนะกาลังปลีกวิเวกอยู่ในที่พักที่ชื่อว่ากาลสศีลาเมื่อท่านรู้ว่ากลุ่มนักพรตส่งมือสังหารมาฆ่าตนท่านก็เหาะหนีไปก่อนทีมมือสังหารเดินทางมาถึงไม่เห็นท่านก็เลยเดินทางกลับไปวันต่อมามือสังหารทีมเดิมก็เดิเดนทางมาอีกคราวนี้ท่านได้เหาะหนีไปอีกทีมมือสังหารก็ควาน้าเหลวเช่นเคย จนเวลาผ่านไปถึงสองเดือนมือสังหารทีมนี้ก็ยังมีอาจทำอะไรท่านได้ถึงกระนั้นมือสังหารทีมนี้ก็ยังคงไม่ลดละความพยายามเมื่อรับงานแล้วก็ต้องทำให้สำเร็จจะต้องค่าสมณะโมคคลานะให้จงได้พ อ, อย่างเข้าสู่เดือนที่สมเท่านั้นพระมหาโมคคลานะได้พิจารณาดูตัวเองแล้วก็รู้ว่าอันตัวเราคงหนีเคราะห์กรรมครั้งนี้ไปไม่พ้นมันเป็นกรรมชั่วที่เราเคยทาต่อผู้มีพระคุณ กฎแห่งกรรมที่เป็นกฎแน่นอนตายตัวไม่มีใครหลีกหนีได้แม้จิตใจของเราตอนนี้จะอยู่เหนือกรรมดีกรรมชั่วแล้วก็ตามแต่ว่ากายเนื้อของเราคงหนีไม่พ้นเราจะต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของเวรกรรมเราคงฝืนมันต่อไปไม่ได้อีกและเมื่อพิจารณาเช่นนั้นท่านก็นั่งรอในที่พักอย่างสงบเงียบท่านใดนั้นเองทีมมือสังหารก็บุกเข้ามาถึงเห็นท่านนั่งอยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้พูดพร่ำทาเพลง จวงแทงท่านอย่างไม่ยั้งมือและเมื่อเห็นท่านนอนแน่นิ่งจมกองเลือดแล้วพวกมันก็ใช้ค้อนทุบร่างกายของท่านให้แหลกละเอียดจนกระทั่งแน่ใจว่าตายแล้วอย่างแน่นอนพวกมันจึงนำเศษชิ้นเนื้อทั้งหมดไปทิ้งที่หลังพุ่มไม้ข้างที่พักและก็หนีไปอย่างลอยนวลพอข่าวการตายของพระมหาโมคคลานะแพร่สะพัดไปทั่วเมืองคนที่ไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วต่างก็ตกอ ก, อกตกใจ ตะลึงงุนงงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระมหาโมคคลานะเป็นถึงพระอรหันตสาวกมีชีวิตที่บริสุทธิ์ป่าศจากมณทินท่านไม่เคยก่อกรรมทำเขียนให้ใครมีแต่ความเมตตากรุณาสอนคนให้ละเว้นความชั่วทำแต่ความดีอีกทั้งท่านยังเป็นพระบุญหนักศักย์ใหญ่มีฤทธิ์มีเดชเหนือกว่าบรรดาพระสาวกต่างๆการถูกฆ่าตายอย่างเหี้ยมโหดเช่นนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับท่านได้เลยหรือว่ากฎแห่งกรรมไม่เที่ยงตรงซะแล้ว และนี่คือข้อสงสัยของคนส่วนใหญ่แต่พระพุทธองค์กลับนิ่งเฉยเพราะวะพระองค์รู้ว่าการตายของพระมหาโมคคลานะครั้งนี้สมควรยิ่งแล้วสาสมยิ่งแล้วกรรมชั่วช้าที่ท่านเคยทำต่อผู้มีพระคุณในครั้งกระโน้นมิอาจให้อภัยท่านได้พระองค์ได้ตรัสเล่าความจริงแก่ผู้สงสัยว่าในอดีตชาติมหาโมคคลานะเกิดเป็นชายเลี้ยงดูพ่อแม่ที่ตาบอด พ่อแม่เห็นลูกชายไม่มีภรรยาก็มีความสงสารจึงหาหญิงนางหนึ่งมาแต่งให้เป็นภรรยาแม้ว่าเขาไม่ต้องการอยากจะมีภรรยาแต่ก็จำใจยอมทำตามความต้องการของพ่อแม่แรกๆหญิงสะใภ้ก็ประนิบัติพ่อแม่สามีเป็นอย่างดีแต่นานวันเข้าแม่เสืออย่างนางก็ออกลายนางพยายามพูดยุแย่ให้สามีเกลียดชังพ่อแม่ตัวเองแม้ระยะแรกสามีจะไม่ยอมฟังนาง แต่หลายวันเข้าหินที่แกร่งที่ถูกน้เซาออยู่เสมอก็ย่อมพังทลายลงได้โมคคลานะก็เช่นกันและไม่นานนักตัวของเขาก็หลงคารมของภรรยาเขาได้วางแผนล่อพ่อกับแม่เข้าไปในป่าและก็ฆ่าผู้มีพระคุณทั้งสองทิ้ ง, อ, ง, งอย่างโหดร้ายและทารุณการหลงคารมภรรยาจนฆ่าผู้มีพระคุณถือเป็นกรรมชั่วช้าที่หนักหนาเรียกว่าเป็นอนันตริยกรรม ผู้ที่ทำกรรมนี้แล้วจะต้องได้รับผลกรรมอย่างฉับพลันและหนักหน่วงกรรมชนิดนี้ยังไม่อาจเปลี่ยนเป็นอโหสิกรรมได้แม้เขาจะพยายามทำบุญกุศลมากเพียงใดก็ตามเขายอมได้รับผลของกรรมนี้อยู่ดีด้วยเหตุนี้พระมหาโมคคลานะจึงต้องตกอยู่ในนรกหลายแสนปีและเมื่อเกิดมาเป็นคนก็ถูกฆ่าทิ้งอย่างทารุณโหดร้ายในหลายร้อยชาติ แม่ชาติสุดท้ายของท่านจะได้เป็นพระอาหารหันต์มีฤทธเดชเก่งกาศเหนือพระอาหารหันตสาวกอื่นๆแต่ว่าท่านก็ไม่อาจจะหนีผลกรรมชั่วที่ตนเคยก่ออย่างไรก็ตามการรับกรรมของพระอาหารหันต์ไม่เหมือนกับคนที่มีกิเลสพระอาหารหันต์จะได้รับผลกรรมทางกายเพียงอย่างเดียวส่วนจิตใจของท่านอยู่เหนืออํานาจกรรมแล้วกรรมดีกรรมชั่วจึงไม่มีผลอะไรต่อจิตใจของท่านได้อีก แต่ว่าคนที่มีกิเลสจะได้รับผลกรรมทั้งสองทางคือทางกายและทางใจฉะนั้นพระอรหันต์ก็ยังหนีกรรมไม่พ้นเราซึ่งยังมีกิเลสจะหนีกรรมพ้นได้อย่างไรดังเช่นคำพระที่ท่านสวดทุกมข่ำชาวว่ากรรมมัสโกมิเรามีกรรมเป็นของตนกรรมมะทายโยเรามีกรรมเป็นทายาตกรรมมโยนิเรามีกรรมเป็นผู้ให้กาเนิดกรรมมะพันธุเรามีกรรมเป็นพวกพ้องกรรมมะปติสารโน เรามีกรรมเป็นที่พึ่งพิงยังกรรมมังกริษสามิเราก่อกรรมใดไว้กัละยาณนางวาปปากังวาไม่ว่าดีหรือชั่วตัดสะทายาโทภ ร, รวิษสามิเราจักเป็นผู้รับผลกรรมนั้น